ขขอโอกสาสคณะสงจ่า น, น, นเจริญพรแน่เชียยวญาติโยมจะได้ขอโอกาสนิดหนึ่งที่จะให้อารมณ์นับปฏิบัติที่มาจากหลับประกันสังคมแห่งชาติที่มาปฏิบัติเป็นวันที่สามเช้าที่สามแล้วก็อีกหลายท่านที่เตรียมจะ เก็บอารมเข้ม9วันซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทํามา10ปีเสร็จสร็จแล้วก็วันนี้จะทยอยมากันอีกถึงพรุ่งนี้ก็คาดว่า100ร้อยกว่าคนที่จะฝึกสติด้วยการเดินโยนขลมแล้วก็นั่งสร้างจังหวะใช้เวลา7วันเต็มๆไม่รวมทั้งวันมาแล้ววันกลับ ซึ่งมีตัวศรัทธาความเชื่อแล้วก็มีลักษณะของประสบการณ์ซึ่งเคยฝึกหัดปฏิบัติมาก็เป็นทิศทางเป็นร่องรอยที่มาแสดงออกมาเป็นสภ า, าวธรรมซึ่งภาษาธรรมมา ก, กเลยว่าเราก็ได้เห็นเรื่องของรูกปาวจจร จิตที่ททจรไปตามรูปร่างต่างๆที่เป็นวัตถุหยิบจับสัมผัสได้หรือว่าสภาวะของอรูปาวจรคือจรไปในอารมณ์ในการปรุงแต่งแต่งในความคิดมีตัวรู้กับตัวหลงแล้วก็มีแล้วนะของกามาวัจรก็คือจิตที่ท แส่สายไปหาวัตถุกรามมงคลต่างๆเป็นความสุขเป็นความทุกข์ซึ่งนลัปฏิบัติก็จะได้สัมผัสอาการต่างๆที่ปรากฏเป็นเรื่องของกายเรื่องของใจรูปตามนามธรรอาการภายในภายนอกต่างๆในเวลาปฏิบัติเราจะเจออารมณ์เหมือนๆกันเช่นปฏิบัติธรรมาสมวันบางท่านก็ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเลย บางท่านก็เคยมาบ้างแต่พอเรามาเริ่มต้นฝึกหัดปฏิบัติใหม่เก่ากับใหม่ก็เหมือนกันก็คือจะมีอารมณ์ปฏิบัติเช่นยกมือก็เก่ง ๆ, ๆเพ่งๆจ่องๆแล้วบางทีก็เผลอไปตามอารมณ์ไปตามความคุ้นชินไปตามอาการของจิตของใจเราบางทีก็คิดไปในอดีตบ้าง สนใจะเป็นความอาลัยอาวร์คิดไปอดีตคิดถึงบ้านคิดถึงลูกคิดถึงงานคิดถึงปัญหาเก่าๆเป็นความสุขเป็นความทุกข์เป็นความอาลัยอาวร์หรือว่าแปอนาคตเป็นความวิตกกังวลกังวลเรื่องงานเรื่องบ้งานเรื่องกาเรเ ร, เรียนการเดินทางการใช้ชีวิตในอนาคตปัญหาหนี้สินต่างๆที่จะต้อง เหมือนกว่าชดใช้กันนี่แผ่นดินนี่พ่อแม่มีของมิตรสหายนี่ของสารพัดซึ่งมันก็เป็นอาการของธรรมะที่ปรากฏออกมาเป็นอาคุสุอุสลธรรมบ้างหรือว่ากุศลธรรมปรากฏออกมาหรือบางทีก็คิดเป็นวิภาวิจารเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนว้นที่อยู่ตรงหน้าเราศัลยสาราสิ่งต้นไม้ใบหญ้า เา ด, ดูการต่างๆที่มากระทบสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นก็จะปรุงแต่งไปเป็นวิภาวิจารณ์เปรียบเทียบเอาเหตุเอาผลอุปมาอุปไม่มากมายหรือบางทีมันก็อาจจะวิตกวิจารณ์ก็คือมันเห็นสภาวะธรรมข้างในมันก็จะคิดตามอาการต่างๆความเจ็บความปวดความเมื่อยก็คิดตามหรือบางทีก็มีความห้องเหงหาวนอนก็คิดตาม บางทีก็มีแล้วนะของความเบื่อความแซงหรือว่าปีติหรือเกิดความสงบขึ้นมาแล้ก็คิดตามเป็นอาการของวิตกวิจารณ์ก็จะเรียบเรียงเรียบเรียงหรือว่าลําดับจัดระเบียบลงกลับมาดูด้านในก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้อาการเหล่านี้เกิดขึ้นอรุปาวจรอรุปาวจรหรือว่าเป็นเรื่องของกางมาวจรต่างๆมันก็เป็นอาการต่างๆที่เป็นอารมณ์ ปฏิบัติแสดงออกตามลําดับขั้นตอนของผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่การปฏิบัติปรากฏออกมาเหมือนการเดินทางเริ่มต้นทำกลางที่สุดมันเป็นยังไงก็จะได้เห็นแต่เพราะแนวเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดจุดปฏิบัติตัวนี้คือจุดการเจริญสติสติก็จะเห็นการเคลื่อนการไหวเกิดการวางกายขึ้นมาแต่พอดีด้วยนะ เดินจนกลมมันจะพอดีวางไม้วางมือวางหน้าวางตามองไม่ได้มองไกลอ่ะคำว่าวางตาประมาณสักสองเมตรในน่าจะได้หนึ่งวาน่ะนะจะวางวางไม่ชะเงอชะง่หรือว่านั่งหับตาจนกระทั่งมันจมอยู่ภายในติดความสงบพวกนี้มันไม่ใช่วางตาพอดีพอดีลูกตาก็ไม่แก๊กไม่แกล้งสีหน้าก็ผ่อนคลายวางหน้าวางตา แล้วก็พอมันมีตัววางมีตัวสติเกิดขึ้นมาเล็กๆมันจะวางความคิดจัหยาบๆมันจะรู้ทันความคิดหยา บ, ยบๆเพราะถ้ามันเหมือนกับสติมีกำลังมากขึ้นกับความคิดก็จะเห็นละเอียดมากขึ้นอารมณ์ก็ละเอียดมากขึ้นก็คือวางความคิดวางความทุกข์เป็นในตัวตัววางตัวเดิมนะนะแล้วก็เริ่มได้สัมผัสสมดุลว่าเป็นกลางานะอันนี้ก็จะเป็นการสัมผัสในตัวของตั ว, ตวใครตัวเรากันของผู้ปฏิบัติยังนั่งยกมือสร้างจังหวะเนี้ยนะ การวางไม้วางมือวางหลังวางเอววางไหล่วางคอเราจะเห็นใหม่ใหม่มันปฏิบัติมันจะเ ก, กเก่งเพ่งจ้องรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติติดติัดกัดเก้อเกขินเขินไปไปเจอไม่ผู้ใหม่สภาวะแบบนี้หรือบางทีพอมันทาไปสักพักมือมันก็ไม่อาวแล้วมันก็เบือ่อเบื่อมันก็จะคิดออกไปนอกตัวคิดวิพากษ์วิจารณ์คิดไปเรื่องของ อดีตอนาคตต่างๆหรือเอาปัญหาเก่าๆมาแก้ใหม่เราจะได้เห็นว่าอาการเราเนี้ยมันจะพัฒนาขึ้นมาก็คือความคิดเนี่ยสั้นลงไปแล้วก็อ่อนตัวลงไปความคิดเรื่องเดิมนะที่เคยรุนแรงเนี่ยความทุกข์เก่าๆที่มันเคยมีปัญหานมันเริ่มเบาๆบา ง, บางๆจนกระทั่งเราเหมือนกับว่ามันก็เปลี่ยนไปบางทีก็เคย เวลาเช้าต้องกาแฟเวลาบ่ายต้องส้มตําอะไรเงี้ยพอปฏิบัติปฏิบัติไปปรากฏว่าอาการเหล่านี้มันเจียจางหายไปหรือว่างทีเราเห็นว่าภายในสามวันนะวันแรกๆมีเพื่อนเราบางคนบอกแหงวัดสุบรีแต่ว่ามันก็ทนไม่ไหวเหมือนกันก็ไปห้องน้ําแล้วก็สุบรีตัวนี้อาการเหล่านี้แหละพอเสพจึงติดพอติดจึงอยากก็อยากจึงแสบพอเรารู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น น, นี่จะอ่อนตัว ลาการที่มันยากมันลงแดงก็จะค่อยๆหายไปลงแดงกาแฟ ล, ลงแดงรดชาติของอาหารลงแดงตาดูต้องดูทีวีหูต้องฟังวิทยุหรือว่าต้องคุยโทรศัพท์พวกน้นะมันจะค่อยๆจางคลายหายไปลดละเลิกสิ่งเสพติดต่างๆมันจะค่อยๆวัตถุ ก, กรรมคุณต่างๆมันจะค่อยๆมีความสำคัญเท่าไหร่ ก็าเริ่มเจอบุญเจอสุขที่เกิดจากภาในใจเราบุญที่เกิดจากจิตที่ปกติบุญที่เกิดจากกิจกรรมของร่างกายที่เราเปลี่ยนใหม่เคลื่อนไหวรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวจะมีพลังจะรู้สึกว่าเดินแต่ละก้าวแต่ละขณะยกมือแต่ละจังหวะจะมีพลัง ม, มันจะเกิดการสัมผัสสัมพันธ์แนบแน่นการอารมณ์ปฏิบัติอารมณ์รูปน้ํามมันจะเกิดความ ศรัทธาขึ้นมาความเชื่อเมื่อก่อนเคยเชื่อวัตถุกรรมคนจะเชื่อลักษณะของความรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวมันจะมีความอิ่มอกอิ่มใจเกิดขึ้นมาความรื่นเริงในการปฏิบัติจะปรากฏขึ้นมาเราจะได้เห็นหรือบางทีอาการต่างๆที่มันชวนไม่ให้ทํามันปรากฏมันเช่นความ่วงนิวรธรรมเนี่ด่านการจิตไม่บรรลุถึงคุณ ง, งามความดี แต่พอมันผ่านไปได้ไดแล้วเราจะเห็นวนะ่ามันตื่นตัวเบื้องหลังความง่วงมีปีติมีความอิ่มใจมันตื่นตัวมันจะชัดเจนไปหมดตาดูก็ชัดเจนหูฟังก็ชัดเจนอารมณ์ที่มากระทบกับระหว่างความรู้สึกตัวที่ดูอยู่รู้อยู่จะชัดตรงนี้มันจะเกิดอิสระภาพขึ้นมารู้สึกว่ามีมพลังนมีความสงบเกิดขึ้นมามันเป็นสงบที่เกิดจากการเคลื่อนไหว ายเคลื่อนไหวใจรู้นั่นเป็นความสงบมันออกมาจากความคิดเมื่อก่อนมันไม่สงบเพราะเข้าไปในความคิดพอมันมีความคิดับเรารู้เท่ารู้ทันแล้วกลับมารู้สึกตัวเบื้องต้นเหมือนกับเรารู้ว่าไม่มีตังใช้แล้วก็มาทำงานมันของตายการนี้พอเราเหมือนกับว่ารู้เท่ารู้ทันมากขึ้นจำนานมากขึ้นมันก็มีออาการแสดงออกถึงความตั้งมั่น ความตั้งมันคือตัวสมาธินะตั้งมันในสิ่งที่เรากําลังทำมันก็จะตั้งมันอยู่ได้นานขึ้นอยู่กับความรู้สึกตัวได้5นาที10นาทีเรื่องชั่วโมง1ชั่วโมง1วัน2วัน3วันอยู่เงียบๆกับตัวเองเราไปเห็นว่ามันแปลกไปมันเปลี่ยนไปเคยมีวัตถุ1 2 3เคยมีบุคคล1 2 3แต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับการเคลื่อนการไหวแล้วมันก็อยู่ได้ด้วยบางที หิวมันก็ไม่หิวมันมีลน้นะของเหมือนกับอาหารทิปปลากฏขึ้นมาในตัวเราอิ่มอกอิ่มใจมาก่อนเคยต้องหารสชาติต่างๆต้องตางหูจะหกเล้นตอนนี้มันมีรสชาติของธรรมะรถมันเป็นรสของปกตินี่แหละมันรู้สึกว่าระบบของร่างกายระบบของจิตใจมันนิ่งๆมันหยุดลงมันไม่แสบใามันไม่อยาก มันไม่ไปหาเสพภายนอกนี่ว่ารสชาติของธรรมรสเป็นลักษณะของนิรามิตรสุกเกิดขึ้นมาก่อนสุกกาลังจะเกิดขึ้นมาได้ภายในจิตใจของเราภายในร่างกายของเราต้องมีตัวกระตุ้นภายนอกเช่นพลังคือลูกควรมีลูกก็จะมีพลังมีกําลังใจที่จะทําอะไรก็ได้ทั้งหมดนั่นแหะเพื่อให้ลูกมันก็อยู่รอดได้มันจะมีกําลังเพื่อการศึกษา เพนะ่ยร่างกายที่แข็งแรงเพื่อให้อยู่กับสังคมไม่มีภัยไม่มีศัตรูไม่มีใครมาทําร้ายทำร้ายมันก็จะมีพลังในการปกป้องในการปราบปรามในการเปลี่ยนแปลงคนเป็นพ่อเป็นแมนะ่พลังคือลูกเป็นอย่างนั้นกําลังคือรูปนระ่างร่างกายเมื่ออายุไม่มากร่างกายเราแข็งแรงประมาณสนะักที่สิบสาสิบเนี่ยมันแข็งแรงมากๆมัน เรียกว่าเผชิญโลกกว้างอาบน้ําก็ไม่หนาวหน้าหนาวมันอุ่นทําอะไรก็ไม่เหนื่อยทํางานได้ทั้งวันกําลังคือรูปมันก็ปีกกล้าขาแข็งเผชิญโลกว้างมันก็จะขุดทองน่าไปเผชิญโชคเรียกว่าไม่กลัวไปไหนก็ไปได้หมดกําลังคือทรัพย์คนมือซั์ไปไหนก็พูดเสียงดัง มีตังค์อยู่ในกระเป๋า่าั้นนะวันไหวไม่กลัวใครมันเป็นเรื่องของมีเงินมีทองต้องการสิ่งไหนเนรมิตเอามันก็พริบตาเดียวจริงๆกำลังคือทรัพย์ทะเลาะกันก็บางทีเอาเงินไปจ้างคนอื่นมือปือนไปยิงได้เลยซื้อชีวิตคนได้มีเงินมากๆเป็นอย่างนั้นตอนนี้เรามาฝึกปฏิบัติธรรมนะเราใช้กำลังคือศีล กำลังคือศีลคือกําลังของความเป็นปกติเราจะรู้สึกมีกําลังในการเดินจงกรมมีกําลังในการเคลื่อนไหวทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบเราจะมีกําลังในขณะที่อยู่กัตัวเองคนเดียวแล้วก็กําลังมีลักษณะของปัญหาเรื่องปัจจัย4เช่นที่อยู่อาศัยย า, า, ารักษาโรคหรือว่าเครื่องนมห่มต่างๆแต่ว่าจิตก็จะมีกําลังเจะอบอุ่นภายในเราก็ได้สัมผัสขณนปฏิบัติธรรมเองจึงมาฝึกมาหัดกัน กำลังคือญาติกำลังคือญาติก็คือหมู่มากลากไปเวลาอยู่คนเดียวกลัวถ้ามีเพื่อนทั้งคนสองคนอยากจะเดินตอนนี้ไปกลางคืนไปที่ป่าชาไปหลังเขาบางคนก็กลัวนะด้วยมาวันแรกๆมานอนที่วัดป่าสุกตอก็กลัวนอนคนเดียวต้องนอนกับเพื่อนด้วยมีเพื่อนด้วยจะรู้สึกอบอุ่นๆใจทีเดียวหรู้ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีมาที่นี่อย่างผมเลยจะมามาถึงปั๊บ เลยมาเจอหลวงพ้อเขียนถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีเอี่วกระเป๋ามาเมื่อ15ปี14ปีที่แล้วเดินเข้ามาที่ภูเขาทองวัดภูเขาทองก็ไม่มั่นใจมีความรู้สึกว่าไม่กระทั่งกลางวันนี้จะกินข้าวที่ไหนยังต้องเตรียมข้าวห่อมาด้วยหิีวมาด้วยไปรู้จะไปหากินที่ไหนไปรู้ใครจะให้กินพอหิีวมาเสร็จถือกระเป๋ามาด้วยมือขวาถือกระเป๋ามือซ้ายหิว้วเข้ากล่อง มาถึงหลวงพ่อขมเขียนก็บอกว่ามามามามามาแล้วก็เดินมาออกช่วยคิ้วกระเป๋าได้หลวงพ่อขมเขียนนะท่านนารักขนาดนะมาคิ้วกระเป๋าหนักๆของเรามากลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านโอ้ยนึกว่าใครนึกว่าใครยาติธรรมนี่เองเพราะท่านพูดว่ายาติธรรมนี่เองแล้วรู้สึกอบอุ่นเลยเนี่ยเป็นไหมโยมรู้สึกโอ้ยมันอยู่ได้เลยหลังเข่าแห่งนี้มั่นใจเลยตอนี้นอนหลับสบายแน่ปลอดภัย ได้ะไดรู้ว่าเออมีญาติผู้ใหญ่ของเราทํางานอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นต่างจังหวัดเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในกระทรวงกระทรวงกรมต่างๆไปเป็นสอสอ ส, อ ส, อวอสววุฒิสมาชิกต่างๆแหมเราก็อุ่นใจเลยตะกูลเราตะกูลเราเน้่ยเราเรียกว่าลังคือญาติที่เรามาฝึกหัดปฏิบัติรู้สึกตัวกําลังคือศีคือความเป็นปกติเวลาเจอโลกธรรมแปดหรือว่าเวลาเจอ ความทุกข์นะที่เกิดจากการคิดการปรงจากการที่เราหลงตัวไม่รู้สึกตัวนะมันรู้สึกเออมันมีที่พึ่งจะเป็นที่พึ่งอยู่ใกล้ชิดกับตัวเราที่สุดจะเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันมันคิดมันอยู่กับเราแท้ๆไปที่ไหนก็นีไม่พ้นบางทีทุกที่บ้านเราก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดทุกที่ทํางานเราก็จะลาพักร้อนจริงๆแล้วแค่กลับมารู้สึกตัวแล้วนะมันก็เกิดการปรับเปลี่ยน จากการที่เราเคยหลงเผลอ ม, ม, มันรู้สึกตัวจากการที่หลงสติไม่มีสติมันเป็น ม, มีสติและได้ว่าเป็นสติปัฏฐานที่เป็นสติตามที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชี้ลอยให้คนรุ่นหลังได้เดินมาตรงนี้มันมีจริงๆสติปัฏฐานการที่เรากระดิกนิ้วสัมผัสกระทบรู้สึกพิตาหายใจรู้สึกหรือว่าลมพัดไปพัดมาว่าไป เรารู้สึกหันซ้ายแลขวาจะพูดเหยียดเคลื่อนไหวข่ผมผ้าใส่กางเกงหรือจะขับถ่ายจะพูดจะนิ่งต่างๆเป็นความรู้สึกตัวได้หมดเลยในรูปลักษร์รูปแบบก็จะมีมากมายในการฝึกในประเทศไทยแต่มาที่วัดป่าสุขตเป็นหนึ่งในห้านะหนึ่งในห้าที่สามารถเผยแผ่ได้ทั่วโลกเราสามารถฝึกมาหัดกันตกกระไดพลกระจน ขมึตาเรียวเตาตามกันก็ลองดูวิสัยบัณฑิตไม่ได้รับไม่ได้ปฏิเสธสิ่งใดเพียงแค่รู้ว่าอ๋อมันมีแบบนี้มันมีแบบนี้มันมีอย่างนี้อ๋อกขาเป็นอย่างนี้ก็ เ, เป็นอย่างนี้เขเป็นอย่างนี้เราก็เข้าใจได้สัมผัสสัมผัสจริงๆโดยที่ไม่ได้ดนเดาหรือว่าเหมือนกับว่าฟังจากคนอื่นเป็นธรรมะที่ปรากฏอยู่จริงๆกับตัวเราโดยความรู้สึกตัวเนี่ยนะ เราก็จึงเหมือนกับว่ามีความหวังมีความหวังที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ลมหายใจที่เหลืออยู่อย่างมีกำไรนันเป็นความหวังที่หวังได้เพราะเราทำได้มีความรู้สึกตัวนะการเคลื่อนการไหวเราทาได้ทําไม้วิปลาส์นะถาไม่วิปลาสไม่บ้านะเพราะคนบ้ามันหลงอยู่ออกับความคิดนะนะเคยหคิดจนกรทังกินไม่ได้จนนอนไม่หลับเป็นนักโทษทหารยางนะ บางทีเราก็เคยเห็นข่าวข้าวต่างๆบางคนวิปลาดขนาดหนักนเมายามาเมากัญชาเมาสุราเมาสิ Santos, eline, s ula, <S ่งเสพติดต่างๆแล้วประสาทหลอนวิ่งหนีความคิดตัวเองเขาจะฆ่าผมก็จะฆ่าผมก็จะฆ่าผมปีนขึ้นไปดาดฟ้าบางเสาไฟฟ้าหรือเสาโทรศัพท์สารพัดนะมันทำได้ทั้งหมด วิ่งหนีจนกระทั่งเราก็มองตามเขาว่าจะฆ่าจะฆ่าก็ไม่เห็นมีใครวิ่งตามมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆบางทีก็ยืนอยู่ตามสี่แยกะนะบอกรถบ้างบางทีก็ถือไม้บ้างถือขวานถือมีดบ้างคุ้มกลั้งตาขวางๆแล้ก็ต้องรู้หลบเป็นปีกรู้หลีบเป็นหางอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาต้องเอาตัวรอดเอาแต่ว่าไปในจิตใจของเรานี่โอ้โหตรงนี้เราหนียังไง แต่ไม่ฝึกสติปัฏฐานกันนี้ไม่พอแล้วก็เรียกว่าปุตุชนปุตุชนเวลาชนก็ชนด้วยอารมณ์ชนแบบโมโงชนโดยการใช้กําลังบ้างโดยโดยการใช้ความคิดเหตุผลปัญญาบ้างชนสารพัดก็เรียกว่าปุตุชนเสร็จแล้วก็เบียบเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นปัญญาชนชนโดยใช้กฎกรอบระเบียบวินัยต่างๆกฎหมายลักษณะ ใช้พวกใช้กําลังคือญาติใช้อะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะเหมือนกับว่ามีความปลอดภัยวัตถุหนึ 3, ่งสองสบุคคลหนึสองสามมีมีมีไม้มีปืนต่างๆปัญญาชนบางทีไม่ได้ทํานะต่อหน้านะครับต่อหน้านี้ยกมือไหว้แต่รับหลังเนี่ระวังดีๆเผล อ, อ, อเพื่อนของเรามาจัดการกับเราก็ได้คนที่รักเขามาจัดการกับเราก็ได้ แบบนี้แหะก็เรียกว่าปัญญาใช้ปัญญาไม่ได้ลงมือเองก็จึงมีลษณนะของระบบกฎหมายตัวบทกฎหมายต่างๆบางทีก็เรียกว่ารับหลังอะไรประเภทนี้ก็เรียกว่าปัญญาใช้ปัญญาต่อมาก็คือลษณนะของอริยชนอริยชนก็คือชนในการบ้างจากความหมายหความเป็นตัวตนมันไม่มีความหมายรูปรสกลิ่นเสียงโภตภาธรรมารมมันมันจะมีค่า มันเป็นวิราคะไม่ได้ให้ราคาเนื่อจากเบื่อหน่ายแล้วเกินแล้วเบื่อหน่ายเรารักษาเราว่าเราเห็นแล้วว่ากายใจอะไรมันพาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นอุปกรณ์เรียกว่ามันนํามันหนุนมันส่งมันพาไปสู่มรรคผลนิพพานมีกายมีใจเป็นมนุษย์เนี่ยไปมรรคผลนิพพานได้เดี๋ยเพรา ะ, ะความคิดเนี่ยเป็นอาการของจิตได้เห็นชัดๆเลย ระหว่างจิตที่มันมีอาการต่างๆคิดปรุงแต่งไม่ปกติไม่ใช่เวลาคิดมันคิดอย่างนี้ไม่ปกติเราปันตรงได้ทันทีเวลานี้เราไม่ได้เจตนาคิดเนี่ยเพราะจิตใจที่มันล่องลอยมันเผลอมาลืมเแล่วลืมตัวเสร็จแล้วมันก็ปรุงแต่งเป็นพบเป็นชาติก็เป็นพบเป็นเระ่อของนรกอบายภูมิเป็นเปรตเป็นสันนิษฐานเป็นสุรกายเป็นเดรฉาน อาการยังไงที่มันถูกถอดรหัสหรือว่าแยกส่วนประกอบมาจนกระทังเห็นว่ากลุ่มก้อนเหล่านี้มันเป็นภพภูมิต่ำเราก็ต้องเจริญสติหันกลับมาดูตัวเราเองหรือบางทีก็เป็นเทวภูมิเหมือนใจดีใจงามนะมีฮิลีมีโอตปะอายชั่วกลัวบาปเป็นลักษณะของเทวดาเทวธรรมกลัวนักไอเรื่องไม่ดีนะกลัวจริงๆนะแล้วก็ต้องทำดีอยู่ตลอดเวลาอย่างนะีนะ้ ทางกายวาจาใจจะมีกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงก็จะเป็นความดีทั้งหมดแสดงออกมาทางกายทางวาจาทางจิตใจเป็นเทวดาภูมิเราก็จะเห็นเวลาฝึกหัดปฏิบัตินะมันจะเกิดอารมณ์บุญขึ้นมาใจมันจะดีใช่ไหมดีแล้วก็เห็นอะไรเนี่ยมันไม่ได้เลยมันจะเปลี่ยนทันที่เปลี่ยนทันที่เปลี่ยนทันที่อารมณ์บุญเนะี่ยมันจะเคลื่อนมือธรรมดาหรือว่าเดินธรรมดาเนี่ยมันจะเดินไม่ได้ ต้องหาหยิพหาจับหาคิดหาพูดหารมแต่เรื่องดีๆทั้งหมดนะไม่ใช่เรื่องไม่ดีอันนี้คือลักษณะของเตวะปุ่มหรือว่าเป็นพรหมเป็นพรหมก็จะมีเมตตาข้านาเมตตาเบี้ขาอุเบกขาคือการวางเฉยที่เราฝึกมาจากการเจริญสติมันจะเกิดการวางเฉยในการที่เราจะทําดีตามเหตุตามปัจจัยพรหมนี่หมายถึงว่าความนุ่มนวลความอ่อนโยน เมือกับพรมที่ปูบ้านานะ่ะกระทบกระทั่งนี่ก็มีความนุ่มนวลไม่แตกหักคนเป็นพรมเมตตากรุณารอได้คอยได้แล้วก็ลักษณะของมีความยินดีเห็นเข้าได้ดีก็ดินยินดีเมตตาเป็นตัวแก้ของอิจฉาริษยาเวลามาหลงเผลอไปอิจฉาริษยาเพราะมีความโลภอยากได้อยากเหนืออยากเด่นอยากดังพวกนั้นเสร็จแล้ว พอมันมีลักษณะของเมตตาขึ้นมันก็หยุดทันทีมีแล้วนะของเมตตาจิตปล่อยยินดีมก็หยุดทันทีเวลาหนาะของเขากับเราสิ่งเดียวกันเขาดีเราก็ดีเราดีเขาก็ดีดดดมีการเกื้อกูลกันมันก็เหมือนสรรสัตว์สรรสิ่งแล้เป็นหนึ่งเดียวกันะมันจะเกิดขึ้นมาจากมุมมองที่มองด้วยสติด้วยตาในของเราช่วยไม่ได้จริงก็ต้องวางเฉย เพราะว่าเขากาลังสวยผลกรรมของเขาวิบากกรรมของเ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเหมือนกับว่าให้โอกาสกันให้ก็ได้แสดงออกได้เรียนรู้เป็นประสบประสบการณ์ตรงของใครของเรากันนัก็คือลักษณะของอาการของพมถ้าเป็นพระจริงๆก็คือเป็นลนักษณะของฉลาดมีปัญญาอันดับแรกคือรักษาใจตัวเองไม่ให้ทุกข์ก่อนเขาไม่หุนเขาไม่วุน ว, วายเราก็รู้แล้วว่าเขาไม่หุนวายเขาไม่สับสนแล้วก็เขาไม่สับสน ถ้าเขาวุ่นวายเราก็รู้แล้วเขาวุ่นวายเข้าสับสนเราก็รู้แล้วเขาสุขสนเขาทุกข์เราก็รู้ว่าเขาทุกข์เราทุกข์เราก็รู้ว่าเราทุกข์รู้เราไม่ทุกข์เราก็รู้เราไม่ทุกข์เข้าไม่ทุกข์เราก็รู้ว่าเขาไม่ทุกข์เป็นตัวปัญญารู้ซื่อตรงตรงแล้วเน้จะรู้ตื่นเบิกบานดีเป็นการรู้แล้วก็มันเหมือนกับว่ามันมันตื่นเบิกบานเราเห็นใจทียนฟองใสที่มันเหมือนกับว่ามันผุดผ่องมันเหมือนกับมีความสะอาดสดใบริสุทธิ์อยู่ แล้วก็เดี๋ยวจะช่วยยังไงก็ว่ากันอีกทีแต่ว่าอันดับแรกคือมันเห็นตัวเองเห็นจิตใจนะก่อนที่ว่าตัวเองก็หมายถึงสภาวะของรูปธรรมนามธรรมที่เราเคยยึดแล้วก็มันเห็นแล้วนะของอุปทานที่มันยึดเนี่ยจนกระทั่งมันไม่ยึดมันปล่อยมันวางในตัวก็มันเด็ดเสร็จคือมันรู้มันก็วางทันทีแต่รู้แล้วรู้ถูกนะรู้แล้วมันจะดีทันทีรู้แล้วก็เป็นประโยชน์ทันทีต่อตัวเองก่อนตัวนี้ก็เรีประโยชน์ตน เป็นหนของไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวอะไรเป็นประโยชน์ตนจริงๆและเป็นบุญใหญ่เลยนะตัวนี้เป็นบุญใหญ่เมื่อก่อนเคยเป็นหน้าของอบุญที่เป็นการให้บุญที่เป็นการเหมือนกับว่าเกื้อหนุนบุญเกื้อบุญหนุนบุญคาบุญชูเราต้องคอยดูแลผู้อื่นวัตถุ น, ถ 3, นถึงสองสาบุคคลหนึ่งสองสามแต่ตอนนี้เราดูแลกายกับใจของเราซึ่งมันอยู่ใกล้ชิดตัวเราที่สุดแล้วจนกระทั่งมันเหมือนกับว่า ได้รู้จักกลายเป็นบุญยังไงใจเป็นบุญยังไงวาจาเป็นบุญยังไงเป็นวจีสุจริตมโนสุจริตกายสุจริตยังไงอันนี้แหละมันเกิดจากความรู้สึกตัวเป็นลักษณะของสติที่มันรู้สติเป็นลักษณะของสติที่มันว่องไวเป็นไวพิปฏิภัยเป็นเกราะป้องกันจิตของเราเป็นสติปัฏฐานจริงๆมันปกป้องคุ้มครองตามกฎของธรรมชาติตามหน้าที่เป็นหน้าที่ต่อกายต่อใจล้วนนะ เราก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้และนะเราก็จึงใช้ชีวิตนั่งเดินยืนนอนหายใจเข้าออกอยู่ตามเหตุปัจจัยแล้วมีการเหนเหตุเหนปัจจัยด้วยบางอย่างเหตุปัจจัยก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่ทาให้ใจเราทุกข์น้อก็ยากอยู่นะอันนี้เป็นเรื่องของสติสมาธิปัญญาที่เกิดจากความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวคือสติรู้ว่ามีสติคือต้องรู้ตัวอยู่ว่านั่งอยู่แสดงมีสติอยู่ รู้ว่ามีเสียงอยู่นะี่คือสติและเป็นสติปัฏฐานี่สติสัญชาตญาณสติก็คือความเป็นปกติเมื่อมีสติมาความเป็นปกติเป็นผลเกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมาคันณะต่อคัขนะมันเป็นคขณะต่อขณะแต่ว่าถ้ามันมีมากๆากมีบ่อยๆเชื่อมโยงต่อเนื่องไปลูกโซอ่อย่างที่หลวงปู่เทียนพูดมันจะเริ่มเป็นลนักษณะของมหาสติมหาสติเหมือนมหาเศรษฐีก็คือมีแล้วก็ใช้ไปหมด มีเงินมากใช้ไม่หมดเราก็ทําได้ทุกอย่างทุกเรื่องทุกราวมันเกิดมหาสติก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็มันตั้งมันเป็นมหาสมาธิด้มหาปัญญาด้วยหรือเขาเรียกว่าจิตตาสิกขาหรือว่าเรื่องนของปัญญาสิกขาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็รักษาเราได้รักษากายรักษาใจรักษาเจ้าะถ้ามันเป็นบุญใหญ่ทีเดียวบุญที่จิตมันฉลาดขึ้นมาต่างเก่า อันนี้เราจะได้สัมผัสมเมื่อเราให้เวลาให้โอกาสต่รูปแบบปฏิบัติหรือว่าพยายามใส่ใจสนใจมีความเพียรลงไปมีความขยันลงไปมีความศรัทธาลงไปมีความเชื่อว่าทําอย่างนี้มันไปสู่มรรคผลนิพพานได้จริงๆขนาดต่อขณะมีปัญญาลงไปเห็นเปลี่ยนลงไปในความคิดเผลอไปในอารมณ์ภายนอกกลับมาหาความเป็นปกติของจิตหรือว่าความรู้สึกตัวในการเคลื่อนการไหวแต่ละขณะของกายของจิต อาการของรูปธรรมของนามธรรมจะเป็นเรื่องของสติสีสมาธิปัญญานะอยู่ในความรู้เนื้อรู้ตัวรู้จึกตัวมันจะเป็นคําตอบนะเป็นที่เป็นอาการของธรรมชาติเป็นภาษาของธรรมชาติในตัวเราเมื่อเราผ่านเรืนะ่ของนิวรธรรมเราก็จะได้เจอทุกครั้งนั่นแหละพอเวลาเกิดอาการต่างๆต้องขอบคุณก็ไหนะเกิดความเจ็บความปวดความเมื่อยนะต้องยิ้มลแล้วก็ขอบคุณเราจะได้ทําจทย์ จะได้ทำแบบฝึกหัดแล้วก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่มันยากขึ้นยากขึ้นยาก ข, ขึ้นแต่๋ยวเพราะเรื่องของอารมณ์หรือว่อาลักษณะของอาการที่เป็นนามธรรมคือเรื่องของจิตมันจะมีจิตดูจิตมีจิตสอนจิตหรือว่ามีสติสอนจิตจิตดีสอนจิตไม่ดีจิตแล้วนะที่เป็นบาปเป็นอกุศล จิตกุศลจิตบุญมันก็จะสอนแล้วก็พอมันมันรู้ได้ชัดมีสติแล้วก็มีสติดูความคิดเห็นความคิด2แบบมันเกิดขึ้นมาคือจิตที่เป็นกุศลไอ้นี่มันจะคิดดีตลอดนะนะมันจะจะัดสรรให้เราใช้ชีวิตนั่งเดินจินนอนแนตะ่ละขณะแต่ละขน า, นานมันจะเป็นความดีตลอดนะนะ่ะล่การนี้มันจะมีตัวที่ไม่ดีของเก่าๆของเรานิสยัสยนิสัยสันดานนะแสดงออกมา สอดสอดขึ้นมาตัวคิดไม่ดีบางทีมันก็มีกําลังเหมือนกันถ้าเราไม่รู้สึกตัวคือถ้าเรารู้แล้ว ร, รู้เฉย ๆ, ๆนะรู้เฉยๆใหตัวเฉยๆถ้าหากไม่มีการเคลื่อนไหวของกายของจิตชัดๆเป็นการกําหนดกํากับนะมีกรอบนะมีขอบมีเขตมันจะเผลอหลงไปตามนิสัยไวสัยสันดานเก่าๆร้อเรลยความเป็นความชํนานาล่องร้อยเก่าๆที่มั น, มนชัดเจน แต่พอเราสร้างร่องรอยของความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันทวนอยู่ตลอดเราจะเห็นว่าเออมันมีที่พึ่งอันนี้จะเป็นสติสอนจิตคิดดีเราก็ไม่เอาคิดไม่ดีมันก็ถูกปล่อยถูกวางไม่เอาเหมือนกันตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งมันก็มาวันที่เราฟังหลวงพ่อเทียนหลวงปู่เทียนที่เราให้ความเคารพท่านพูดหยัดโยมบางท่านได้ฟังแล้วก็ขอแผ่นเลยนะบอกว่าขอไลายทั้งสองแผ่นได้ไหมเพราะว่าฟังแล้วมันตัดคอเลย เวลาฟังคนอื่นพูดหรือว่าฟังคนอื่นอื่ น, นมันเป็นคําพูดที่ไม่ชัดเจนแล้วก็อ้อมแอมอ้อมแอมกันแต่ฟังเมื่อวานหลวงปู่เตียนนะว่าคิดแล้วตัดทิ้งเลยนะกลับมาหา ก, การเคลื่อนการไหวรู้สึกตัวมันมันตัดคออลไรมันชัดเจนเลยฟังแล้วเออมันก็เป็นอย่างนั้นตัวเองทําก็เป็นอย่างนั้นอยากให้ลูกสาวอยากให้คนอื่นได้ฟังด้วยฟังแล้วมันชัดเจนถ้าปฏิบัติแล้วก็เราจะเห็นแบบนั้นตรงนี้แหละ เราก็จริญเหมือนกับว่าทําให้เกิดประสบการณ์มีความชํานาญจนกระทั่งเหมือนกับว่าทําแบบไร้รูปแบบได้เลยคือสติมันจะจัดการภายในของมันเองเป็นนมธรรมที่จัดระเบียบจัดระเบียบของนมธรรมเรียกว่าเราก็จะได้ที่พึ่งกันตามระดับขั้นตอนของการปฏิบัติมีสติเห็นการเคลื่อนไหวของกายเห็นกายในกายไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขามีสติเห็นจิตในจิตมันไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขา มันมีอาการของสุขทุกข์ก็เรียวเวทนาเห็นเวทนาในเวทนาสุขทุกข์ของกายสุขทุกข์ของจิตมันไม่ใช่สัตว์ตัว ต, ว ต, วตวนบุคคลเราเขาเมื่อเห็นธรรมชาติธรรมชาติก็มากมายแล้วกินเป็นกุศลเป็นอกนุศลภายนอกภายในรูปรดกลิ่นเสียงปุธะภาธรรมลมมีปกติดูอยู่รู้อยู่มันจะแยกกันทันทีอย่างนี้นะเราก็เลยเห็นอาการต่างๆมันเกิดดับนั่นแหละเดี๋ยว่าเห็นพระไตรลักษณ์ถึงตรงนี้มันก็กลายเป็นเรื่องของ การเดินทางที่มันเป็นเรื่องของความเป็นเองหลายรูปแบบและเป็นอัตโนมัติที่มันเกิดขึ้นมาจากภายในของเราเราจะเห็นแล้วนะของอความเป็นปกติเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นจนชํานาญทีเดียวตู้แน่นนะะแล้วก็พูดให้ฟังตามลําดับขั้นตอนของอารมณ์ปฏิบัติที่เห็นว่าความคิดนะมันมันมันไหลามาลักษณะ น, นี้เขาจิบมาพูดให้ฟังเบื้อต้นก็นคือให้เห็นกายเคลื่อนไหวของกาย ต่อมาจะเห็นจิตที่มันคิดเป็นดีเป็นไม่ดีแล้วก็รู้เท่ารู้ทันแล้วมันก็จะเป็นปกติบ้างจากความคิดทันทีะจนทางจุดปกตินั่นแหละมันขยายกว้างขึ้นมีกรอบมีขอบมีเขตขว้างขวา ง, วางเรียกว่าไม่ประมาณทีเดียวในะความเป็นปกติตรงนั้นคือสติรู้สติเวทีสติเขามีบางทีสติเขาก็ไม่มีในขณะที่เขามีเขาก็ทำงานดูกายดูใจดูตัวสติในขณะที่เขาไม่มีมันก็จะเป็นความว่างนะั่นแหละ แต่ถ้าหากว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่มากพร้อมจะไหลไปอยู่กับนิสัยความเคยชินเก่าๆจะหลุดต่างๆขอ ง, าของใจของใจเราก็ท่นนั้นเราก็จึงเคลื่อนไหวล่อเอาไว้เดี๋ยวฟุตเวิร์กนะหรือว่าสแตนบายเอาไว้เหมือนกับนักมวยนะเราจะรู้ว่ามีกําลังก็ต้องออกรูปฟุตเวิร์กเอาไว้กระโดดวยหาะเหาะว่าเคลื่อนไหวอยู่ตลอดอันนี้นนะกัคลายคลยก็จะเป็นอย่างนั้นนะก็เปรียบเทียบให้ฟังเราเห็นว่า สมควรแก่เวลาก็ควรยุติไว้เพียงเท่านี้นะเพื่อขอให้พวกเราได้ใช้สถานที่ใช้เวลาใช้กายใช้ใจใช้รูปแบบปฏิบัติก็ว่าใช้ระนาของศีลธรรมใช้สติใช้ปัญญาจนถึงเหมือใช้ชีวิตอยู่ด้วยความผาสุกแล้วก็ให้จริงๆขึ้นไปจนังเหมือนก็ว่าตัดรบตัดชาติได้จริงๆในบันชาตินี้โดยทุกนาทีทุกท่านทุกคนนั้นเอ